สี่สบายธรรมะทุอย่างเลยได้สี่อย่างโอ้โหทได้ขำใหญที่สุดไอ้สงเหมือนกันนมน้อยต่างกันรับไปตอบมนะากบริบัติท่ามีอยู่นะถ้าบอกไอ้สงเหมือนกันแต่ปริมาณน่ต่างกันก็กำลังซั มีการมเหมือนยุงกัดบ่างมึงากงเห็นไหมอันที่เป็นปกติเพราะการมาจิตขอเราเมลงูสร้างปกติเราไม่รู้ถ้าจิตเริ่มเป็นสมาธิตติสปัญญาดีขึ้นร่้งกายต้างเรืองผิวหนังมันเคลืยนมจะขยายตัวเจ็บตอนนี้ดีหน่อยทะลุไม่พบห็ครับถ้าี่งถ้าเรนาแต่กินหลังก็ขยับตัวใถ้าเป็นแบบนั้ลืมการขยับตัวหาย เป็นปกติฉันเโป็นพวกแม่พ่อเอยก่พ่อ็แก่คนีกินแนบเส่ลุงพ่อต้องสมมาทุกอย่างเหมกันเหมนาทุกคนแล้วว่าไงตาโหีแลเลยอตาใจมีอย่านะตาหม